แนะนำบทอัลวากียาบทอัลวากียาเป็นบท ia, มักยามี๙๖องค์การที่กล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆในวันเกียรมะและสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเช่นความหวาดกลัวการแบ่งมนุษย์ออกเป็นสามกลุ่มคือกลุ่มขวากลุ่มซ้ายและกลุ่มแนวหน้าบทนี้ได้กล่าวถึงชะตา ก, กรรมของทุกๆ ก, กลุ่มและสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้สาหรับพวกเขา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 ไม่มีผู้ปฏิเสธคนใดปฏิเสธต่อเหตุการณ์ของมัน ต, ต, ต, ต่อเหตุการณ์นั้นทำให้กลุ่มชนหนึ่งต่ำต้อยชนอีกกลุ่มหนึ่งสูงส่งเมืม <S 1> <S 1> <S 1> ม่อแผ่นดินถูกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและบรรดาภูเขาได้แตกสลาย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 ر ر โดยอยู่บนเตียงที่ประทับด้วยทองคำพวกเขานอนเอกขเนตอยู่บนนั้นโดยหันหน้าเข้าหากั น, น ม, มีเด็กๆที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน วนเวียนรับชายพวกเขาตลอดไปด้วยแก้วใหญ่และแก้วมีหูและจอกใส่สุราที่ริมไมาพวกเขาจะไม่มึนศีรษะและไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้นพจะไม่หมดสติเมื่อดื่มสุรานั้น และผลไมล้หลากชนิดตามแต่พวกเขาจะเลือกสัต่งและเนื้อนกที่พวกเขาอยากจะรับประทานและหญิงสาวที่มีในตาคมสวยงามประหนึ่งไข่มุกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้อย่างดี ทางดีเป็นการตอบแทนเนื่องจากความดีที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและเป็นบาปเว้นแต่คำกล่าวว่าสันติ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 แล้วฉะไหนเล่าพวกเจ้าจึงไม่ไข้ควรพวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าวานแล้วมิใช่หรือพวกเจ้าทำให้มันงอกเงยขึ้นมาหรือว่าเราเป็นผู้ทำให้มันงอกเงยขึ้นมา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 แล้วหนาเล่าพวกเจ้าจึงไม่จะตันอยู่พวกเจ้าเห็นไฟที่พวกเจ้าจุดขึ้นมาแล้วไม่ใช่หรือออนุ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 ดังนั้นเจ้าจงสรุดีด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เธอถ้าล่าอุกสิมบิมว اقع ินนุจูมข้าอาวล่าขอสาบาลด้วยตำแหน่งต่างๆแห่งรวมดาววะินหูละกสมุลาวเธอลมูนอดีม และแ้้จริงมันเป็นการสาบานอันยิ่งใหญ่หากพวกเจ้ารู้นั่นคือคำพีอัลกุรอานอันทรงเกียรติซึ่งอยู่ในบันทึกที่ถูกพิทักษ์รักษาไว้ไม่มีผู้ใดจะแตะต้องคำพีอัลกุรอาน นอกจากบรรดาผู้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นมันถูกประทานลงมาจากท่าผู้อภิบาลแห่งสากลโลกาาลและด้วยเรื่องนี้ อันกุราอ่านกระนั้นหรือที่พวกเจ้าเยอะอย่างและทั้งท่านที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยงังชีพมาแก่พวกเจ้าพวกเจ้าก็ยังคงปฏิเสธศรัทธาต่อลอกกระดันอีกและเมื่อวิญญาณได้มาถึงคองหอยกำลังจะตาย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 หากว่าพวกเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใดฉะนั้นล่าพวกเจ้าจึงไม่ให้วิญญาณกลับเข้ามาสู่ร่างอีกหากพวกเจ้าพูดจริง หากว่าเขาผู้ตายเป็นผู้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺความอิ่มเอิบสดชื่นและสวรรค์อันเป็นที่โปรดปรานก็จะได้แก่เขาออนยและหากว่าเขาอยู่ในกลุ่มทางขวา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 สิ่งที่เตรียมไว้สำหรับพวกเขาก็คือน้ำร้อนที่กำลังเดือดและเปลวไฟที่ลุกไหม้แท้จริงนี่แหละคือความจริงที่แน่นอ น, บบน ด, ดังนั้นเจ้าจงสะดุดดีด้วยพระนามของพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เถิด